รู้นิพพานถึงวิมุตติสุขเต็มสุดแล้วจะเลือกสุขอย่างไหนก็ได้ทำไมมองลงมาไม่ถึงการมสุขบางคนเป็นห่วงการมสุขกลัวว่าถ้านิพพานเสียแล้วเขาจะไม่ได้เสวยการมสุขอาจบอกเขาได้ว่าอย่ากลัวเลยถ้าท่านไปทางนิพพานท่านจะได้รู้จักความสุขมากอย่างยิ่งขึ้น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 ไม่เสพกามาสุขที่เขาไม่เสพมิใช่เพราะเขาเสพไม่ได้แต่เป็นเพราะเขาไม่นึกอยากจะเสพคือกิเลส ท, ที่เป็นเหตุให้อยากเสพไม่มีเขาได้ประสบสิ่งอื่นที่ดีกว่าจนไม่เห็นกามาคุณนั้นมีคุณค่าที่เขาจะเกี่ยวข้องเสพสวยเสียแล้วเรื่องนี้ก็คล้ายกันกันกบความคิดที่ว่าพระอระหันต์บรรลุญาณทัศนะมองเห็นตามเป็นจริงว่า สิ่งทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนคนเป็นเพียงส่วนประกอบต่างๆมีท่าสีเป็นต้นมาประชุมกันเข้าไม่มีนายกนางขอเป็นต้นเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วก็คงฆ่าคนได้ไม่บาปแต่ความจริงเมื่อมองเห็นอนัตตาเช่นนั้นอิเลสคือโทสะที่จะเป็นเหตุให้ทำการฆ่าก็หมดไปเสียแล้วการฆ่า ก็เลยไม่มีทางที่จะเกิดมีขึ้นมาได้ความเป็นจริงในเรื่องนี้ปรากฏว่าผู้ได้นิพานนาสุขแล้วจะเสวยความสุขลงมาถึงชั้นฌานนาสุขดังที่กล่าวว่าใช้ฌานสี่เป็นทิฏธรรมสุ ข, ขวิหารคือเป็นเครื่องพักผ่อนอยู่สบายในปัจจุบันเรื่องผู้บรรลุนิพพานไม่เสพโล ก, กามิตรไม่แสวงการ ม, มาสุขนี้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 แต่คนที่ได้รู้จักอิสรภาพอย่างแท้จริงจะค่อยๆตัดใจได้และไม่ช้าก็จะไม่ห่วงอะไรที่คุมขังนั้นอีกต่อไปท่านที่แนะนําชักชวนทั้งหลายเช่นพระพุทธเจ้าได้เคยเริงรมในการมาสุขมาก่อนแล้วและต่อมาได้รู้จักสุขที่ประณีตขึ้นไปทั้งฌานสุขและนิพพานสุขเป็นอันว่าได้รู้จักความสุขทุกประเภท การที่มาแนะนำชักชวนนั้นก็ย่อมเป็นไปด้วยความรู้จริงโดยได้ผ่านประสบการณ์จริงเป็นเครื่องยืนยันอย่างแน่นแฟนว่าสุขใดที่ท่านว่าดีหรือไม่ดีหรือว่าอย่างไหนดีกว่าก็ควรจะเป็นเช่นนั้นจริงเมื่อเปรียบเทียบกับสุขที่ปราณีตโดยเฉพาะนิพพานสุขกามาสุขมีส่วนเสียหรือข้อบกพร่องดังที่ควรกล่าวถึง นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วหรือที่ควรย้ำไว้อีกดังนี้ 1. ทําทำให้ชีวิตขึ้นกับสิ่งภายนอกไม่อิสระไม่เป็นตัวของตัวเองแม้กระทั่งเป็นทาสของวัตถุซึ่งมักหลอกให้นึกว่าเราเป็นเจ้าของบังคับมันได้แต่ยิ่งเข้ายึดถือครอบครองมันจริงจังมากเท่าใดเราก็ยิ่งหมดอำนาจในตัวกลายเป็นทาสของมันมากขึ้นเท่านั้น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 แล้วลงท้ายความเปลี่ยนแปลงพันผวนปรนแปรไปของสิ่งเหล่านั้นทั้งที่มันก็เป็นไปตามธรรมดาของธรรมชาตินั่นเองก็มีอิทธิพลบีบคั้นเข้ามาถึงชีวิตจิตใจของเราทำให้โศกเศร้าขุนหมองทุกประทมคับแค้นไปตามส่วนสุขที่พระนิชชันในเป็นนิรามิตรคือไม่ต้องขึ้นต่อวัตถุภายนอกจึงเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเอง นอกจากนั้นยังเป็นหลักประการที่ช่วยรักษาไม่ให้ลุ่มหลงหมกมุ่นในการมสุขช่วยคุ้มครองให้เกี่ยวข้องกับการมสุขในทางที่ไม่เกิดโทษพิษภัยและไม่ให้เกิดความทุกข์เพราะความบีบคั้นที่เกิดจากความผันผวนปลุนปราของวัตถุ 2. ในเมื่อการมสุข ต้องอาศัยกามคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสผลถั่พะซึ่งอยู่ภายนอกคนที่อยู่ด้วยกา ร, รมาสุขจึงเท่ากับเอาความสุขรวมทั้งโชคชะตาของตนทั้งหมดไปฝากไว้กับสิ่งอื่นที่อยู่ภายนอกและสิ่งภายนอกเหล่านั้นก็ขึ้นต่อเหตุปัจจัยหลากหลายที่เป็นไปตามวิถีของมันซึ่งผู้สแสวงกา ร, รมาสุขนั้นบังคับควบคุมไม่ได้จึงเป็นธรรมดาที่ว่า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 นอกจากนี้เพราะเหตุที่การมาสุขต้องขึ้นต่ออารมณ์จากภายนอกนี้เองการมาสุขจึงเป็นสุขชนิดที่อยู่กับตัวเองไม่ได้ถ้าอยู่นิ่งก็จะกระสับกระส่ายต้องร่านรนไปหาสิ่งที่จะเสพซึ่งว่าตามความเป็นจริงแล้วอาการร่านรนกระสับกระส่ายเช่นนั้นล้วนเป็นความทุกข์ทั้งสิน้นแต่คนที่ร่านรนนั้นมักจะพยายามหลอกตัวเอง ให้มองข้ามหรือไม่มองเสียโดยมองแต่ส่วนที่ตนประสบได้เสพสมยิ่งกว่านั้นรันได้เสพอารมณ์นั้นสมปรารถนาแม้จะเป็นอารมณ์ที่ชอบใจถูกใจผู้เสพก็ไม่สามารถส่วยอารมณ์นั้นอยู่ได้นานถ้าเสพอยู่นานก็จะกลายเป็นทนเสพแล้วที่สุขก็จะกลายเป็นทุกข์สุขจากกาม จึงอาศัยการเปลี่ยนอารมณ์อยู่เรื่อยๆและท่านจึงแสดงหลักไว้ว่าอิริยาบถบังทุกส่วนผู้รู้จักสุขลึกซึ้งด้านในแล้วยอมไม่ถูกทรมานด้วยความร่านรนกระสับกระส่ายสามารถสวยสุขอยู่ในอาการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ น, น, นานๆตามใจปรารถนาเช่นกรณีของพระพุทธเจ้ากับพระเจ้าพิมพิสารเป็นต้น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 คนหนึ่งชอบคนหนึ่งไม่ชอบคนหนึ่งเห็นเป็นสุขคือได้สุขขเวทนาอีกคนหนึ่งเห็นเป็นทุกข์เกิดทุกขเวทนาเคยมีการถกเถียงกันว่าในการมาคุณห้าอย่างอย่างไหนดีเลิศเป็นเยี่ยมพระพุทธเจ้าตรัสว่าอยู่ที่ชอบหรือถูกใจแม้แต่บุคคลเดียวกัน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 และเกื้อกูลแกผู้อื่นทุกคนที่เกี่ยวข้องเป็นสุขกันได้มากคนออกไปก็ยิ่งดีมีแต่ส่งเสริมกันให้เป็นสุขยิ่งขึ้นเพราะไม่มีอะไรที่จะต้องแกงแย่งช่วงชิงกันต่างก็สุขเหมือนกันจึงมีแต่การจะนำไปสู่การระ ง, งับปัญหาและความสงบสุข ข้อที่หกโดยเหตุที่กรรมสุขเกิดจากการสนองระ ง, งับตัณหาถ้าตัณหาเกิดขึ้นแล้วไม่ได้รับการสนองตัณหานั้นไม่ระ ง, งับไปปมปัญหาก็เกิดขึ้นทันทีปมปัญหาหรือภาวะติดขัดบีบคั้นนั้นท่านเรียกว่าทุกพอทุกเกิดขึ้นผลเสียก็ตามมาผลเสียนี้ถ้ามีขังอยู่ภายใน ก็ต้องหาทางระบายออกข้างนอกหรือไม่ก็ทั้งสองอย่างผลเสียที่ขังอยู่ข้างในได้แก่อากการกลัดกลุ้มกระวนกระวายขับแคนเศร้าหมองและทุกข์ใจต่างๆรวมเรียกว่าความหลงไหลฟ้านเฟือนผลเสียที่หาทางออกข้างนอกอาจระบายทางเบาเช่นเที่ยวขอคำแนะนำความช่วยเหลือในรูปต่างๆ อาจเป็นความช่วยเหลือแนะนำทางปัญญาและคุณธรรมหรืออาจไปสแสวงหาความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนาจลึกลับโดนบันดาลต่างๆบางก็พยายามกลบเกลื่อนทุกข์ด้วยการมาสุขชนิดที่หยาบแล้วร้อนแรงยิ่งยิ่งขึ้นไปหรืออาจระบายออกทางรุนแรงต่อผู้อื่นเช่นก่อเหตุขัดแยง้งลุกรานผู้อื่นหรือทาการในทางทาลายไปรอบตัว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 วิบากแห่งทุกข์เป็นชไหนเรากล่าวว่าทุกข์มีความหลงฝันเฟือนเป็นวิบากหรือมีการหาทางปลดเปลื้องภายนอกเป็นวิบากคำว่าเหตุก่อกำเนิดมาจากบาลีว่านิทานสมภพการหาความสุขแบบสนองตัญหานี้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 มีความสุขฝ่ายิรามิตรเป็นนิสรณะคือทางออกอยู่บ้างทางออกหรือนิสรณะนี้จะช่วยผ่อนพฤติกรรมที่สืบเนื่องจากตัญหาฮิปรานีตหรืออยู่ในขอบเขต ท, ที่ดีงามได้อย่างมากเพราะสุขฝ่ายที่ไม่ขึ้นต่ออามิตรนี้อยู่ด้านตรงข้ามกับตัญหาปรากฏตัวขึ้นในเวลาสร้างตัญหามีอยู่ได้โดยไม่ต้องอาศัยตันหา ใครเข้ามาอยู่กับความสุขชนิดนี้ก็ยอมพ้นจากพิษภัยที่จะเกิดจากตัณหาของตนไปได้ทันทีเพราะการมาสุขมีส่วนเสียอาจก่อโทษได้มากอย่างนี้และมนุษย์ทั้งหลายก็ชอบหรือฝากฝ่ายการมาสุขกันอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปกระตุ้นเข้าอีกดังนั้นท่านจึงไม่สนับสนุนให้มุ่งหากามาสุขไม่ให้เอากามาสุขเป็นจุดหมายของชีวิต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 คืออุปทิสุขหมายถึงสุขที่เป็นเหตุก่อทุกข์ได้อีกมุ่งเอาการมาสุขเป็นสําคัญบัณฑิตย่อมไม่ให้ทานเพราะเห็นแก่อุปทิสุขคือความสุขกลัวกิเลสเพื่อจะมีพบต่อไปอีกแต่บัณฑิตย่อมให้ทานเพื่อหมดสิ้นกิเลสเพื่อไม่มีพบต่อไปอีกโดยแท้บัณฑิตย่อมไม่บําเพ็ญฌานเพราะเห็นแก่ความสุขกลัวกิเลส เพื่อจะมีพบต่อไปอีกแต่บัณฑิตย่อมบำเพ็ญฌานเพื่อความหมดสิ้นกิเลสเพื่อไม่มีพบต่อไปอีกโดยแท้บัณฑิตมุ่งภาวะเย็นใจคือนิพพานมีจิตโน้มไปทางนั้นน้อมใจไปในภาวะนั้นจึงให้ทานบัณฑิตเหล่านั้นย่อมมีนิพพานเป็นที่หมายเหมือนทานนาทีไหลเรื่อยสู่กลางสาคอ